สิกขาบทที่สาถามพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ทรงรู้ทรงเห็นทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุณีผู้บวชให้กุมารีอายุครบ20สปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแล้วแต่สงยังไม่ได้สมมุติณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตนากรุงสาวัตถี ถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปบวชให้กุมารีอายุครบ20ปีผู้ได้ศึกษาสิกขาในธรรมหข้อตลอดสองปีแต่สงยังไม่ได้สมมตุติในสิกขาบทที่สมนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติ บรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสมสมุดฐานละ